รรมาชาดกแผ่นที่10ลำดับที่24โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่2กันยายน2555มีชื่อเรื่องว่าขุดหลุมฝังตัวเองปุเพจะกะตะปุญญาตา พวกเข้าได้ทำบุญไหวในอดีตในชาติก่อนจะได้มาพบพ่อแม่คู่บาอาจารย์จังี่อัตสมาปณิธิให้พวกเข้าตั้งตนไวชอบไปในเมื่อเข้ามาพบแล้วเข้าตั้งตนไว้ชอบไปค่อยๆก็ว่าเป็นคนดีอยาจะไปเป็นคนที่บอดีถ้าว่าเข้าเป็นคนบอดีขี่ลักขี้ขโมยขี่ส่อขี่โกงเป็นคนบอดีเขาหูา ย, ายักเยู่คนบอดีคืออย่าง ข้าเป็นคนบอดีเกิดชาติหนาะอาจจะไปเกิดพลเอกบดีแถวออฟาริกาพลนะหัวใหญ่ๆทองใหญ่ๆขาลิบรพบพนะพพเพราะใดพราเข้าทําบอดีไว้มันก็ต้องไปเกิดทังทันอันนี้พวกเข้ามาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยพบพระพุทธศาสนาพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์นับว่าเป็นผู้โชคดีย่างมากนาว่าปฏิโลปะเทศวาโซจะปุกเพจั ก, กตะปุญญาตา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 พวกเฮาอยู่ในบานกระบอกเคยเห็นเด้แต่ต่างคนก็ต่างอยู่ต่างคนกับต่างอยู่ของไปของมั่นแต่นี่มาสู่วัดว่าศาสนาพวกเฮาก็ได้เห็นเออวัดผู้กอดขดพันสางจางังใดวัดปลาหลวงพอ่ออินเนี่ยเป็นจังไดเป็นจังไดการเป็นอยู่ของเพิลนอันนี้เฮาก็ได้ทัศนะศึกษาเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เพิลนปฏิบัติจังไดอันนี้ก็พวกเฮา มากเข้าเนี่ก็เป็นการทัศนศึกษาตามวัดต่างๆแต่ว่าสิ่งใดที่เกิดประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อเฮ้าเฮ้าก็นั่มสิ่งที่เกิดประโยชน์ไปปรับปรุงแก้ไขการเป็นอยู่ของเฮ้าให้ดีขึ้นคานาว่าตรงไรเออของเฮ้าดีอยู่แล้วเดีดีกว่าของเพิ่นอีกต่างหากอันนี้เฮ้ากับเบิรงเอออันนี้ของเฮ้าดีอยู่แล้วดีกว่าเพิ่นอีกต่างหากเฮ้าก็ได้หูจักคือกันคานว่าตัวใดพันดีกว่าเฮ้าเฮ้าก็นั่มไป เราเปิปฏิบัตินําไปใช่ในหมู่บ้านของเข้าสมมติว่าหมู่บ้านของเข้าเขื่อนของเข้านี่เบิ้งหลังบอกเกี่ยงบอกเก่าคือยังวัดว่าศาสนาของเพินลนกุฏิสาราของเพิลนบริเวณวัดคลองเพลนนี่กว้างสะอาดเอ่พลนปัดกวาดรักษาดีตลอดถึงผีปักผ้าอาศัยของเพิลนก็เพนลนรักษาดีเข้าก็ได้นําไปปรับปรุงแก้ไขบ้านเขื่อนของเข้าที่อยู่ของเข้า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 อันนี้ปัญญาขันละเอียดนะนี่ยเพราะนั้นพวกเข้าจ ะ, ฉะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ต้องอาศัยการใดงี้นยนใดฟังสรุปแล้วเพราะนั้นเวลาไปวัดว่าศาสนาไปอยู่หมองได้ก็ตามเวลาครูบาอาจารย์เพิ่นบอกยังไงฟังให้าฟังสังเกตมั่นแมนบอดีเพิ่นบอกให้ฟังเนี่ฮะอย่างนี้เป็นตน้นะเพราะนั้นพวกเข้ามาสู่วัดว่าศาสนายังมาหาวัดหลวงพอ่อเนี่หลวงพ่อ ก, ก็จะบอกเลยเออ พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นสอนให้ให้มีท่านมีศินให้มีภาวหน้าเนอให้เคารพพ่อแม่เนอให้เคารพวิญญาณวจนวศนวศบุตรนอให้เคารพพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนอะให้ปฏิบัติเสื้อฟังจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ของเขาเนอะอันนี้เพลินเกตจะสอนเรื่องคุ ณ, คณธรรมศิลธรรมจริยธรรมจริยธรรมคือความประพฤติการเป็นอยู่ของเข้า อย่างพวกเข้าอยู่น้ากันประเทศชาติบานเมืองจะลมเย็นเป็นสุกได้ก็ต้องอาศัยการเสียสาระการทำผลทำท่านอย่างเมื่อกี้นี่แหละพวกเขาก็มากเออเข า, า, า, ามาสู่าาาวัดว่าศาสนามาสู่คู่บ่าจารนพวกเขากัดทำบุญเนอเพื่อคนได้จะตุกปัจจัยมาแล้วคนนี้แหละสร้างสายเส้นาสนะอย่างพวกเขาที่นั่งเดียวนี้นะโบเมนหลวงพ่ออินเสกคาถาเป่าฝุดฝาดเป็นโบเมนได้ ก็ได้อาศัยจตุปัจจัยของสัทธายาิโยมคนละหมากคนละน่อยจากนั่งกระสางเสีนาสนะกับโวเมนท่านั้นอีกค่าน้ำค่าวไฟอีกค่าอาโหงอาหารพระสงฆ์อีกพระสงฆ์เจ็บไข่ได้ป่วยอีกนี่แหละมีหลายๆอย่างพอเฮาเกิดมาแล้วก็ได้ทำบุญทําท่านนี่แหละพละหมากคนละหน่อยกับวัวกันแต่ว่าเกิดมาต้องมีการเสียสาระของมิถานะ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 ไอ้ต่างคนก็ต่างอยู่คอหลอดแคระคลองไผ่คลองมั่นบ่มีการเสียสละโลกทั้งโลกนี่จะหาความสงบลมเย็นเป็นสุขบ่ได้เด้ไอ้อันนี้ก็คือท่านสินเืิดเกินรักษากายว่าจะให้เรียบร้อยชื่อวัดศินไอ้คารวัตองเฮ้าคารวัตหยาดาย่อมของเฮ้าก็คือ้นสินหาพอพูดถึงเจ้าเพ่นบอกให้ว่าไอ้มีสินหาเนอพวกรูเจ้ามีการมีงานมากมีทุละมากยาหลวงละเลยเรื่องสินหาสินห า, นห า, นหานเานี่บ่เม็นธรรมบดดาเด้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 เป็นผู้มีพกคะสมบัติได้พอสินสีเลนะนิผู้ติงยันติผู้จะไปสู่นิพพานได้พอสินศินหาสินแปดของพระพุทธเจ้าเนี่ยบรมเมนของเล็กหน่อยสรุปแล้วพระพุทธเจ้าเพ็นบัญยัิว่ายาขากันเนอสินคอที่หนึ่งถ้าเฮาว่าพวกเฮาขากันเอไปใสมีแต่พกผ้าอาวุธพกปืนพกมีดไปน้่เพื่อจะขากัน เราแว่งแข้งใจกันบ่ไหวใจกันโลกทั้งโลกก็หาความสงบล่มเย็นเป็นสุขบ่ได้เพราะใดเพราะโลกมีแต่หาความสงบบ่ได้หาความไหวใจกันบ่ได้กันว่าเข้าไปข่าพอ่อข่าแม่ข่าลูกข่าล้านของเขาเขามาข่าพ่อแม่ลูกหลานของเขาหรือเขาก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าพระบ๊วยอยาก่ากันเนออันนี้คือศินขอที่หนึ่งขอที่สองอทิ่หน้าท่าน ยาข้ามุ่ยกันเนอะแต่ว่าเฮ้าไปข้ามุ่ยพอแม่พี่น้องหลูกร้านเขามาเลียข้าไทยเขามาจับพอแม่ของเฮ้าพี่น้องหลูกร้านของเฮ้าไปเลเปียข้าไทยเห็นสิเป็นยังไงเฮ้าสบายใจบ่เฮ้าก็ถูกใหญ่ขึ้นกันเขาขื้นกันเฮ้าขึ้นกันถ้าเขามา ues, poking, ล, like band, ลักลกรถลักง่วลักควายลักสิ่งลักของของเฮ้างัดบานของเฮ้าเป็นยังไงเฮ้าก็เป็นถูกขนาดเฮ้าไปให้เขาล่ะเขาก็เป็นถูกขึ้นกัน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 กี่ตัวจะไปหาหลอกล่วงผู้อื่นเขาน่ะเฮ้เข้าว่ามีเงินในธนาคารไปเขียนเซ็ตให้เขาเองสิเออไปซุบตะกลัวให้เป็นท่องค่าเองสิเอพอพราเขาหัวเป็นของปลอมเขาก็เสียใจเสียเงกันอีกต่างหากถ้าเขามาต้มตุนหลอกล่วงเข้าละ่ะเข้าเสียใจบอสเขาก็เสียใจคเช่นเดียวกันส้หลบแล้วก็สินของพระพุทธเจ้าเออที่เข้ารักษาเนี่ยเอาหัวใจเขามาใส่ใจเขา้าเอาใจเขาไปใส่ใจเขา ขันเขาบต้องการเขาจะไปเหตุให้ผู้อื่นเขาถ้าเขาเข้าไปเหตุให้พู้่นเขาเขาก็เดือดร้อดเขามาเขามาเหตุให้เขาเขาก็เดือดร้อดเช่นเดียวกันอันนี้คือศินขอที่หาสุราเมรยาตมะชะปม่ปมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเมือมอม่อเขาดืม่มกินเหลา้ากินเบียร์เขาไปแล้วยีกินขั้นซายาฟินเสพขั้นซายาฟินเฮโรอีนอยาบ้าโคเคนทุกมือเ น, นี่มันมีมีหลายอย่าง ในเมื่อเราดื่มเราเสียบเข้าไปแล้วท่านี่ขาดสติเมื่อขาดสติเราทํามความชั่วได้ทุกอย่างเลยเพราะคนขาดสติคนเป็นบาเละเหมือนคนเป็นบาเขาทําความซัวอะไรคาพอ่อคาแม่ก็ไรคาลูกคาเมียก็ะไรขโมยไผ่ก็ไรลาลาบ ล, ละลวกสามีภรรยาลูกหลานไผ่ก็ไรขี่ตัวอ้ะไก็ไระพราะอะไรเพราะคนขาดสติเนี่แหละสินของพระพุทธเจ้าสมพุ่จะให้ไผ่เป็นผู้รักษา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 จากนั้นแม่ก็แนะ น, นำสั่งสอนลูกของเข้าอ ย, ย่าเฮ็ดจังสันเนดะ้อลูกเลยอ ย, ย่าเฮ็ดจังสีนะลูกนะเอินแม่จังสีนะเอินพ่อจังสันนะกินจังสีนะนอนจังสีนะอาบน้าจังสีนะพ่อแม่เป็นผู้สอนกอนมูเปิลว่าพ่อแม่เป็นบุคคลาจารย์ของบทที่ดาฮะนั่นแหละเพินว่าพ่อแม่นี่มีบุญคุณมากแต่ขั้นผู้ไดเฮ็ดบ่ถูกบ่ต้องกับพ่อแม่เป็นบาปกรรมนักคนวะ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 ในร่างกายของเข้าถึงแต่หัวจนหอดตีนเข้าได้มากจากไผ่นี่แหะคือม้อรดกที่พอแม่หมอ้อไผ่เข้ายังมีอยู่มอรดกชิ้นนี่เพราะฉนั้นเข้าออกมอรดกชิ้นนี่นะไปทาํามากข้าขายจากนั้นเขาก็เออทําบุญอุทิศทส่วนกุศลให้พอให้แม่เขาเน่ะปีนึ่งข้างหนึ่งพอแม่เนอรหลวงวิ ญ, ญญาณของพอแม่ตกทุกข์แต่ยากจังไรสิงะทิตยุทธินใดให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากผู้ขานเนอ ผู้ข่าได้ทำบุญทำท่านเมนื่อไหร่อันนี้แหละคือนาทีของบุตรธิดาทุกคนของลูกทุกคนนี่แหละในหลวงพ่อถ้าว่าพระสงฆ์กุบาอาจารย์เบ า, เ, บาเรื่องประคุณของพอ่อของแม่เนี่ยบ่มีผู้ใดเบาได้ขั้นว่าพ่อแม่ที่ว้ากขาลูกเนี่ยเ้ยลูกสาวลูกชายเอ้ยให้ละเลิกถึงบุญคุณของพอ่อของแม่ได้แหมพ่อแม่เรื่องมายากคื อ, อยังเนี่ยเขาก็จะหาวันลำเลิกได้บ่เนี่ยเ้เอ นี่ประหารวะจะประหารลำเลิกเรียงแล้วก็แล้วตัวไก็มีผุดปอบไมีผุดใดวานอกจากคู่บา่ายจานพระ ส, สงฆ์นี่แหละจะเป็นผู้เว่าวนันไปเพราะนั้นหลวงพ่อสัทธา ญ, ญาติโยมมาหลวงพ่อจึงบอกให้ฟังเออระ ล, ลึกถึงบุญคุณของพอ่อของแม่นะ่ะลูกหลานคณะสัทธา ญ, ญาติโยมเนอะบัด น, นี้หลวงพ่อกับว่าเป็นออชาติรกไขฟังอีกเดชบัด น, นี้มีชาติรกเรื่องหนึ่งนะเพราะพระไตรเจ้าท่านตรัสสอนภิกษุภิกษุว่า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 พ่อแม่ตายพอก็ได้จัดการแต่งาตงานให้ลูกชายพ่อแต่งงานให้ลูกชายบ่านี่ลูกชายกับใดใดเมี่ยมาบ่านี่ก็เลยได้ลูกด้วยอีกผู้พ่อนี่ก็เลยป่วยเป็นอัมพาตป่านี่พ่อป่วยเป็นอัมพาตก็นอนแหละมานอนท้งเออไปล่ะจะไปทํางานอ่าลูกชายนี่ก็ต้องเฝ้าให้เมี่ยไปทํางานฮะคานาวะลูกชายไปทํางานฮะลูกสาวไผก็ต้องเฝ้าพ่อต่อมาลูก หลานกะใหญ่ขึ้นมาปะเนี้พ่อจัดดูแล ป, ปูได้ก็เลยให้ลูกให้ลานเป็นผู้ดูแล ป, ปูแทนพอแม่กับไปทําการทํางานพ่อต่อมาทฉยเลยลูกก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้ น, นะะแล้วอายุสิบหกสิบเจ็ดปีสิบแปดสิบเก้าปีเราวันออกไปบ้านี้ผู้พ่พอเด็กเขาเลย <The noise> พ่อเนีปูเนี่ยพ่อเนี่ยตายขบว่าตายหายกขบว่าหายนักไปนาเลยเออมิแต่ขี่มิตเตเนียวนอ่งเดืกับหมองติเซดขี่เซตเนียว เออต้องพี่ผู้เฝอจะตลอดคาเมนเฮ้าเนี่ตายดีกว่าเอ่อผู้พอคิดว่าคาเมนเฮ้าเนี่ตายดีกว่าเอ า, ถาเถอะขั้วจะเอาพอไปฝังถิ่มซ้ําแล้วๆไปมัดเว้นมัดกัมทั้งเพิลนทั้งเฮ้าทางลูกทรายในยการารกระตาแล้วนะไปสารกระตาศารกระตาใหม่ไพกระตาใบ ห, หนึ่งก็มีหูสอดพร้อมนะไปเอพอพ่อลูกชรายกับสิบเ็ดสิบแปดปีเลยเด้เป็นนุมล่ะก็เลยบอกสั่งลูกทรายว่าเอ้ยลูก เมื่อ้อย่าไปใส่เนอะพอมีโุระนะเ อ, อยู่บานนะวันนี้นะอย่าไปเที่ยวนะครับดังลูกชายกับขอยลอคขอยประมาณจทกซีหาทุ่มันนี้บ้านเมืองคนกับเงียบวันนไปพ่อเงียบแล้วก็พพอกับว่างแผนไปผู้เดียวเดยห ม, มุบ ม, มับมบับวันไปเอมากกันมามานนี้นเกิดลูกชายมาเอาจับขาโป่ทางผู้พ่อนี่ยก็จับขี่ตะแระวันไปยกข้างขีตะแล ทางลูกไส้เนี่ก็จับขาปูมาเอาเอาลงตะ ก, ก้ามะพอลงตะ ก, ก้าเซจเรียบร้อยก็สอดไม่แล้วก็ไปหามไอ้ลูกไส้ก็มีหน้าที่หามก็หามน้าพอแล้วเนี่ะไปาหามผูกพอกับยางไปเลยนะเอี่ยขึ้นจีนเป็นสูงขึ้นจเป็นทอๆกันนุธาเนี่ยแล้วขยางยางพอกับยางออกนอกบ้านผลแล้วคนมันมิดเนี่ยย่ำบันนอกเป็นบ่อละพอมิดถึงยางออกไปฝุ่นไปพอดปลาสาบมาไปหอดปลาสาก็ว่าง ปูล่องกันปะปลองกัเลยบอกกันลูกใชนะ่ไนี่แหะที่พ่อหามปูมาเนี่ยนะปูเนี่หายก็ไม่หายตายก็ไม่ตายให้ปลำปลาเลือกอยู่เนี่ยถ้าเป็นอย่างพ่อตายดีกว่าเพราะนั้นพ่อจังหามมากเลยกับคุดหลุมฝังเลยละ่ะนะเมื่อเ น, นี่ยพวกเข้าช่วยกันคุดหลุมแล้วกัฝังเลยให้แล้ ว, แ ล, วแล้วไปเตืองกำม์มดเวทมดกรม์ไปอนะทั้งพวกลูกชายก็ทําทายยืน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 ปะปะปถามกลับปนวะเอาทําไมถามกลับทําไมพ่อเดี๋ยวกรรมตามสนองปนวาเด้เออบาท้าเพิ่นสิฟังพ่อเนี่ยังได้บาฮาลูกสิลูกไส้สิฟังเพิ่เนเพิ่นไปัญญานตายขึ้นกันโน่นไปเออปอ น, นิโซ ก, ก็เลยหามกลับเมาโนไ่ไปก็าเลยดูแลพ่อโน่ไปโอ้ใครเป็นลูกไส้โบเบกไว้เนี่พ่อนี่เขาฟังแท้ๆโ่นไปนี่แหละอันนี้แหละคือ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 อันนี้ว่กรรมตามสนองเลยผู้ดใดทํากรรมบอดีไว้กรรมนั้นจะตามสนองเพราะนั้นพวกเข้าท่านทั้งหลายนะเน่ะจะกกพอกระเป้ให้ละมัดระว่างขั้นว่าสิไปไสเอขั้นพอแม่เบาพอแม่หายพอแม่ยังดาไกาฟ่ฟังฟ่งฟั่งอย่าไปเถียงบางคนบอแม่เน้ยขั้นพอแม่เาบาแดบงตกฝากหลักดินเนี้ยเถียงปั๊บปั๊บปั๊บปุ่ปนออกไปวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ทั้งที่จะมามอทั้งที่แม่จะผ้าลูกผ้า ผัวประกาบพ่อแม่ของเจ้าของประกาศพ่อตาแม่ย่าวันอาทิตย์วันใดวันมือสะดวกนายจะพ้าลูกผ้าเมียไปรกาบพ่อปูแม่ยาบ่อเด้พุ่นอ่ะพ่อวันเสาร์วันอาทิตย์พุ่นอ่ะผ้าลูกแท้แลพุ่นอ่ะไปศูนย์การฆ่าพุ่นนะเออไปห้อมมัดห้มมิรพุ่นอ่ะเออไปศูนย์การขาาทั้งผู้ผัวก็พุ่น่ะไปหาตีกบพุ่นอ่ะไปหาตีไกพุ่น่ะไปหากินเหล่าพุ่น่ะ โบหูจักพ่อโบหูจักแม่บัท่าเถ่าแก่มาแลวบาดเลยลูกหลานโบหูจักบูดคุ้นของกูผลไว้เดชหนึ่งนึกได้ใจว่าโบกาเววหรอกในที่หูจักจังไรเจ้าของบผ้าเขาไปกับพ่อกาบแม่กับปู่กับย่าตายาย่ายบัทหาแล้วจะให้เขามากับเจ้าของมาหาเจ้าของได้จังไพรพออย่านั้นพวกเฮาท่านทั้งหลายนะท่านอยากจะให้ลูกหลานทำ้ำลูกหลานเป็นคนดีต้องทำดีให้ลูกหลานดู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 ไดเงินแต่โกดหนึ่งวันไงโกดหนึ่งคือเท่าไรโกดหนึ่งคือสิบล้านเออสิบลอยเป็นพันสิบพันเป็นหมืน่นสิบหมืนเป็นแสนสิบแสนเป็นล้านสิบล้านเป็นโกดเลยเงินโกดหนึ่งต่อมาเลยก็นีลูกไส้ทั้งเก่าข้นพอไดลูกไส้เก่าข้นกันต่อมากันลูกไส้กันไงพร้อมๆกันต่อมาแม่ตายบวันี้พ่อแม่ตายพอนี่ก็ไดแต่งงานในลูกไส้ แตงลายลาลายๆาก็ลงมาแล้วได้ลูกสะพ้เก้าคนขึ้นกันบาดนั้นแล้วก็เลยลูกชายก็ราบอกเอ้ยพอพวกผมมีครอบครัวแล้วเงินของพอกับทีมใบชื้อเอามาแบ่งกันลงทุนชนะพอเนาะเอ้ยแมนเนี่ยข่าหามากข่ามาเผื่อสู้เจ้านั่นล่ะเอามาแบ่งกันก็เลยให้ภูละลานลาลัานไปอยังเหลือกับพอล้านนั้นพอต่อมาเอกบาอลูกชายก็ข่าไปขายมากก็ เงืนขาดมือ่อีกกว่านโอ้ยพอให้พออีกผมเอาอีกแบงกันพันละแสนนะ้นองพอเนาะเออเอาเอาซี่อย่าเลยพูวให้พันละแสนละแสนละแสนต่อมา ข, ขออีกพันละหมืนม่นละหมื่นต่อมาพันละพันละพันมันออกไปยังโยกพอพันหนึ่งบาทพอก็ใส่ไปใส่มากก็เมด่อนะ่อนพอเมดแอเลยกัอยู่กับลูกสะใภ้ข้นโตลูกช า, ายข้นโตแล้วบาทพ่อโยไปโยมาลูกสาานะใภ้เลยออาว่าโอ้ยปูเนี่ยไหาแบงเงินมาแบงทอกันมรดกแบงทอกัน บา้านามายู่มาอยู่แต่บ้านเฮาพอเห็นบ้านผู้อื่นกินกับเฮาอยู่กับเฮาพอาไปบา้านอื่นทางลูกสะพายว่าลูกสะพายข้นโต ว, ว่าทาั้งโปูะโป๊ก็ะเด็นยิน่็ขว้ า, วาง ห, งหูเราพุทธาวขวัญออกขวัญออกหวูหวันเราไปไหวจิงซีก็แปลว่าเขาไล่กูตัวเนียวมาจันเนี่ยพุท่าว่าเอ้ชั้นทั้นก็ป้าปกูไปอยู่หรอกก็เลยไปอยู่น้ำบักบักแปดนเ ร, ร า, า, า, าไปต่อมาก็บักเจ็ดบักหกบักหาบักสี่บักสาบักสองบักหนึ่งวัน ลูกสะพายมันก็เว้าคือเก่าอีกคนไปโอยกูอายุน้าสูงหัวสูงเราพันกูจะไปหาขอท่านกินดีกว่าแทนเทาว่าบ้านนี่ก็ได้ยามขาดไปนึงเลยก็ใส่เสื้อผานัดเขาในยามเลยก็ได้หมอโลคหูขาดมวยนึงเลยก็ได้ไม่เท่าก็ไปแล้วบานเนี่ยไปหาขอท่านกินวันไปไปบ้านนั่นบ้านนี่ขอท่านแน่ขอกินเขาแน่ค่ะเขาก็หายกินตามเมื่ตามเกิดจักเซพ่พระเนจจ อ, อนไปเรื่อยๆเลยวันไปเมื่อเรื่องเขาไปหอดวัด ป, ดป่าเชิดตะวันมาหาวิหารบานนี่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 กาศูนย์ท่อนลพดสีแห่นบอสีอัออลบอภาพบอสพระพุทธเจ้าเนี่ยหายอย่างเอาหมดเออนี่ยถ้าเป็นประโยชน์เออเ อ, อ, เอาเขาสะสอนใหบ้บาตแล้วเพื่นก็ได้สอนใหพ้พอสอนเรียบร้อยละบาดเนี่ภาพจําได้บอได้ครับไปไปกาวศูนย์ท่อนศูนท่อนลพดไอ้คุ้มของเจ้านะเก่า ม, มาจะเกิดมาจะคุมได้มาจะคุมได้ไปหาคุ้มนั่นล่ะ เออเอิเขามานะเอิญลูกชายลูกสะใภ้หลานมากพี่น้องมากบอกเอ้ยสู้เจ้าทางไลยข่อยพระยูข่อยหนีไปโปรดใ้สร้างได้ล่าสู้เจา้าบาดนี่ข่อยมาหอดเลยมาเนอะเดี๋ยวจุดข่อยสีเกาเอออย่างห้ยฟังเกาสร้างเกาล่าสู้เจา้าเหยมาเนอะค้นทางหลยก็ไเด้นยิ่นกับลังกันมาเลยวันไปพ้ามีเบาจังไงบัดนีรเนี่แหละเออคือจังลงพอจับไม้เบาอย่างที่แล้วผ่านเออ้ามก็ยืน อยู่ในกางกางเวทีกลางฟ้องกันลงไปเอปืนพ่ามก็ยืนแล้วก็พ่ายยามใบหนึ่งก็ถือโมอโล่แล้วก็ถือไม้เท่าพร้อมกันไปพ่ามก็เลยกาวที่พระพุทธเจ้าสอนให้นะที่พระพุทธเจ้าสอนให้พ้ามเบาพ่ามก็ว้าแล้วไปเอเลี้ยงบุตรสุดแสนจะลำบากแต่ไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจหมายคุณไม้เท้าพ่อนี้มีมากมาย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 เ, เมื่อเ่าแก่ชลามะเฮาก็จะได้พึงพระอาศัยดูกองเข่าแมนบลอกเแต่เลี้ยงขึ้นมาแล้วว่าไม่พอไดดูแลพ่อแม่พ่อแม่ได้เลยเ อ, อชุดแสจหวะาาแต่ไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจหมายพอตัง้งพอตั้งใจหมายว่าจใจเลี้ยงดูกขึ้นมาเพื่ อ, อ, อจะได้พึ่งพระอาศัยเขาย่ามเ่าแก่ชราเน่ยแต่กับบรรนี่กับบรรยายขึ้นไม่เท่าเลยคุณไม้เท้าพ่อนี้มีมากมายเ อ, อ ได้ข้ากายย่งย่องจ้องจดจุนคือจะไปใส่ก็ไม่มันสิลมันไม่เท่าขําไว้ยานไวมันเอาไปแล้วก็เอาไม้เท้าปัดวัดเวียงไปตามบุญคือมีถ้ามีหมาสิมา ก, กัดไม่เท่าลาวัดเวียงไปหมาขยานเป็นว่าไะรขันง้อควายสิมากจะสิก็ยกไม่เท่าขึ้นมาไลายง้อลายควายง้อควายขยานขยานไม่เท่าดีกว่าลูกทางเก่าคนที่เลี่ยงมากหรือขวามีอากลําบากไม่เท่า ดีไม่เท่าของพอนี่ดีกว่ามีบุญคุ้นกว่าลูกทั้งหลายที่เก้าคุ้นที่เลี่ยงมากโดยความยากลําบากเลยพ่อผ้ามกาวค้าถาต่อนี่แหละลูกชายทั้งเก่าคุ้นนะนอนหมอบเลยวันอไปโ อ, โ, อ โ, อโอ้แมนความพออีหอลีเขาจะเนี่ยพวกข้า ป, ปล่อยปลาละเลย่ยมิจตธทํามากขา่าขายขาดการดูแลพอนะตอนนี้ต่อไปผู้ข่าจิตดูแลพอย่างดีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนี่แหละ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 นะครับพร้อมกันก็ขอฝากไว้กับคู่บาศทธาญาติโยมทุกคนอย่าตั้งอยู่ในความประมาทหลวงปูหมันเพิ่มสอนหลวงปูหมันเป็นพ่อแม่คู่บาอาจารย์พวกเข้าเด้หลวงปูหมันหลวงปูขาวหลวงปูเทศหลวงตามหาปัวเป็นพ่อแม่คู่บาอาจารย์ของพวกเข้าเพิ่มในน้นำในทางที่ดีในทางที่ถูกต้องพวกเขานับว่าโชคดีอย่างมากๆที่ได้มากเกิดพบในยุค ข, ของพ่อแม่คูบาอาจารย์เราเนี่ เพิ่นสั่งสอนแนะนำสั่งสอนอย่างไรเพิ่นให้ภาวน่าพุทธพ่อนอะอย่างหลวงปู่มันเพิ่นสอนเนีอยน่งยังเนี่ยยังหลวงตานั่งเห็นว่ะสีขาวนี่ยนางคัดสมาธิยังสิล่ะเอ้าั่งคัดสมาธิค้าขว้าทับค้าสายมือคว้าทับมือสายจากนั้นวาริกรรมหายใจเข่าพุทหายใจออกพ่อพุทธพพุทธพอันนี้คือนางสมาธิเมื่อนั่งสมาธิและจิตใจร่วมสงบลงไปแล้วเข้าจงหูจักด้วยตนเองว่าอ้าตายแล้วเกิดด้วยตายแล้วศูนย์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 เออไข่พวกเขานี่มีแต่ออกนอกหลูมนอกทางบ่มีศีลบ่มีถ้ำบ่มีบ่ได้ยึดมีแต่คิดแต่ท่างโลกบ่ได้ยึดในศีลในถรำหระพวกเข้าจะหาความเจริญบ่ได้นะจะเลื่อนทางโลกกรแมนยุแต่ว่ามทาในถ้ำบ่จะเลื่นพไปตามแนวแถวของพ่อแมอ่คูบาอาจารย์ถึงจะทุกข์จะยากบนไดก็ให้เดินตามแนวแถวของพ่อแมอ่คูบาอาจารย์ของพวกเข้าพวกเขามีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสงบผาสุขทางด้านจิตใจ